Book 2 5ห้าสิสี่ซื้อของคือเป็นผมต้องการซื้อของขวัญฉันอยากซือแหวนแต่เอาที่ไม่แพงมาก่ไม่แพงมาก อาจจะเป็นกระเป๋าถือ Moskine h o r si si n tan, si s c e คุณอยากได้สีอะไรวิลกันฟาวจะขึ้นนว่าสีดำสนตาลือสีขาวสน้ํตารนตาลหรือสีขาวสีดำาลหรืาลหรือสาลหรือสีสตลรือสนลลล ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ m ี j a s ิพูเดนเต e r ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับเ r den a เออสกิหรือว่าทำมาจากพลาสติกห l ือเออตินเ k อ n s t stoff ทำจากหนังแน่นอนครับเอฟเฟลเดอร์แน่ l อนครั s, <S ใบนี้คุณภาพดีมากครับ และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะครับของหุ่นทัสก์นั้นเป็นจริมากฉผมชอบครับฉันชอบมากเลยฉผมเอบมากเลยนันชอผมจะเลยหมครอบ้าการ ได้แน่นอนครับเรเราจะห่อของขวัญให้คุณที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ